ปจะคิปฏิบัติจิตใจสังตัวให้โปร่งใสจิตใจสังตัวให้สงบสุขโดยส่วนใหญ่พวกเราเถี่ยวไปซึ่งไม่เคยศึกษาเคยไม่เคยปฏิบัติธรรมะเขาเจว่าความสุขจะอยู่กับด้านวัตถุมีอันนั้นจะมีความสุขมีอันนี้จะมีความสุขความคิดซึ่งในจิตในใจ เป็นไปแบบนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดคิดว่าได้อันนั้นจะมีความสุขได้อันนี้จะมีความสุขความจริงเหนยอเราต้องการในสิ่งนั้นและได้สิ่งนั้นมาในใหม่จิตใจก็รู้สึกมีความสุขามพอใจในสิ่งนั้นต่อ น, นานไปใจมันเบื่อเยอสิ่งนั้นในสมปรารถนาให้มันก็เกิดทุกข์ขึ้น อยู่ดูด่านวัตถุมันไมีทำความสุขความสบายดูด่างด่างเย้ยให้เหมือนใจสิมีธรรมะใจสิมีธรรมะปฏิบัติธรรมะ <c oughs> ใจสงบใจสุขใจสบายโด็การสิ่งที่เจอมาสิ่งต่างๆให้เข้กถึงรู้จึงเห็นจริงให้จริงเหมือ น, นั้นตามเป็นจริของมันนีม่มันเป็นด่างไร ใจทั้งเรารู้ใจทึ้งเราเต่าใจในสิ่งเหล่ น, นั้นก่อนที่มันจะเป็นไปแล้วมัน ก, ม ก, ก็ม่มีการเสียใจไม่มีการดีใจอะไรใจก็ได้สนบจะได้รับความสุขความสบายความสุขของใจถ้าหากคนไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติคนไม่สาบว่าความสุขของใจที่ไม่มีอะไรอื่นภายนอกมันสุขอย่างไร เพาะเราเถั่วไปมันสุกกับสินกับของกับเงินกับทองกับลูกกับเจ้ากับหลวนกับหลานความสุกมันอยู่ทางนอกสุกกับการดูการฟังสุกกับกับการเดินกลิ่นดื่มรสสัมผัสต่างๆนี่คือความสุขของโลกความสุขภายนอกแต่ความสุข การปฏิบัติอักถามภายในในเคยศึกษาในเคยปฏิบัติแต่มันเป็นความสุขอย่างไรมไ ม, บบร ม, ไรม่ไม้รไมไมรไมไทรา บ, บรว่าความสุขภายในเป็นอย่างไรมันก็ไม่แสวงหาเมื่อตั้งหน้าศึกษาในตั้งหน้าปฏิบัติต่เราไม่เห็นไม่เปนให้อยากได้จะท่านสุขแต่ไม่ทราบว่าความสุขภายในเป็นอย่างไร ก็เลยยินเง่มไปหาเกาะหาอาศัยว่าอันนั้นจะช่วยให้มีความสุขอันนั้นจะช่วยให้มีความสบายนี่คือคนถ่วไปขาดการศึกษาธรรมะขาดการปฏิบัติใจสมตัวแตะพูดที่เชื่อหลงใฝสในทางศาสนาลงมือ ป, ปฏิบัติกายวายจาใจสมตุในอัตในธรรม ความสงบสุขที่พระพุทธเจ้าเมงบอกเอาไว้ในตำรับตำราเกิดขึ้นเ้ิ่ขึ้นจากการที่มิจฉาจนาะแต่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนไปจากชัดเจนเห็นแจ้งว่าความสุขของจิตของใจนี้ไม่ต้องไปหาอะไรอื่นเพียงแต่ประพฤติปฏิบัตริรักษาอารมณ์ของใจ ให้หัวไหลยคล่องกับความชั่วให้จิตรวงวังสงบมากเป็นความสุขเป็นความสบายเลิศประเสริฐสุดคนที่จะทราบอย่างนี้ก็เพราะเคยผ่านหน้าโลกมาความสุขที่โลกทั่วไปหลงไหลใส่สนถือกันยึดมั่นมาเป็นความสุข ประเสสุดของโลกอย่างสงรครามมรุณต่างๆซึ่งนี้ใครเป็พิเศษเพราะวิลเล่อเของใจชอบไข่ติดตาเรื่องเหล่านั้นเมื่อได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นก็พูดกันว่ามีความสุขความสบายติดแม่งกันทั่วไปไม่ว่าฉากไหนภาษาไหน จิตอยู่ในการอารณ์อย่างนะั้นพอมาปฏิบัติใจเชิงตัวรักษาอารมณ์ไม่ให้ไปโยนวายดึงแต่งติดนึกติดตามรื่ต่างๆภ า, ายนอกสงวนลอวไว้จิตใจเอาไว้ภายในคนที่ฝึกใหม่ๆบางขันบางคนต่อชอบกําหนดลมหายใจเข้าออกของตนไม่ให้จิต จิตเปล่งไปที่อื่นกำหนดลมเข้าลมออกอยู่นั้นเป็นปัจจุบันจิตรวมๆได้บางท่านบางคนก็ชอบบริกรรมพุโทโธทำมน้สังโฆอะไรต่างๆเพื่อจะให้จิตเกาะอาศัยไม่ไห้ไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาปัดทิ้งเตาทิ้งลอยทิ้งไม่เอาจิตใจไปเกี่ยวข้องส่วงใยในอาณ ทั่วไปใจก็เลยสงบเริงรีนได้เมื่อใจสงบเรงรวนความสุขความสบายซึ่งไม่เคยประสบพบผหนมาก่อนเกิดขึ้นสุขอะไรในโลกที่จะสุขจะไปเสดอย่างนี้ไม่เคยมีการมารมี่เราเคยมุดฝันจิตว่งว่าสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้ ก็เคยประสบพบมาแต่ถ้าว่าความสุขนั้นไม่เหมือ น, น, นกันกับความสุขทางจิตที่สงบร่างับดับยิ่งขึ้นเชื่อมัอน่นว่าความสุกอันนี้มีคุณค่าสูงเป็นความสุขที่น่าปราถนาเป็นความสุขที่น่ายินดีน่าพอใจแล้วก็เต็มใจประพฤติปฏิบัติลงมือกระทำบำเพ็ญรักษาอารมณ์ของจิต ในสิ่งปรุงไปในภายนอกเพราะความคิดความคงขังนอกเราเคยคิดเคยปรุงเคยชุ่มออกไปอยู่ตลอดเวลาความฉุกอะไรที่มีคุณค่าไม่มีเป็นแต่เลี้ยงแต่เสียเวลาเสียงานที่ท้องตนรักษาเอาไว้ในใจไปเกี่ยวข้องอย่างนอกใจที่เคยสงบเยือยงก็เยือยงอีกได้รับ ความสุขความสงบเกิดผนเป็นขึ้นในจิตในใจอีกเชื่อน่ในความสุขเหมือนนั้นว่าการผ่านมาเวลาเลี่ยวไปสองพหา้กว่าปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันพระนิพพานด้วตัตถะรูมาทงที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นเป็นขึ้นนั้น มันดังคงส่งคงวาไม่มีอะไรเสียหายไปตามการโวลาสมก ว, ว่าทําเป็นอาการลิโกคือไม่มีการไม่มีเวลาใหรร้ลงมือปฏิบัติเหนื่อยเขาเ้าใจในอดในธรรมเหนื่อยจิตสงบเหนื่อไยความหยือกเย็นเปนสุกผลมเป็น เ, น เ, เ, น เ, นเ่อยนั้นไม่มีอะไรที่จะจิดกั้นกำบังเอาไว้นี่คือใจอที่บุพเพปฏิบัติที่เห็น เด่นชับในทางสงบความสงบยอมใจยอมเราลงยอมเป็นที่ม่มีความสุไม่เหงื่าไม่ดหิวไม่ได้คิดได้ตรงอะไรถึงเราจะนั่งถ้าจิตในถอนเราจะนั่งเ็นเดียนั่งมีเวลาที่จะหนด่อยเหนื่อยหืออะไรใจสุขใจสบายใจเย็นใจสงบนี่คือความสุความสบาย จากการระเทดปฏิบัติอาจทำที่สาธุทใเจ้าเนี่ยสอนในอย่างนี้น ก็มีความสุขควรเราคุณข่าอยู่ที่ความสุขม่ได้อ่ที่อื่นหรือต่างกลางตัวถึงจะสวยสดงดงามขนาดไหนถ้าใจมีสุขใจมีดีใจมิผลิตร่างกายมีความหมายอะไรมีใครสนใจอยากได้ เรามมีความสุขความสบายสมบัติเข่าของที่เราหามาได้แต่จิตของเราสุขจิตของเราสบายจิตของเราเยือกเย็นสมบัติก็เยือกเย็นไปด้วยเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามีสาระแต่ถ้าจิตของเราไม่เยือกเย็นไม่มีความสงบสุขสมบัตินั้นจะมีมากเมืขนาดไหน มันกม็มีความสุขแก่จิตแก่ใจให้เพราะใจไม่มีสุขมันช่องเข่าของมีเพียงพอบริบูรแต่กระวนทุกเพราะจิตใจขาดธรรมะจิตใจขาดความสงบเพราะฉะนั้นความสงบความสุขวามคนจึงอยู่ที่จิตที่ใจ ไม่ใช่อยู่ที่วัตถุภายนอกหากเรามองข้ามไม่อยากจะประพฤติปฏิบัติจิตใจสงนตนเขีนว่ามีอันนั้นมามีอันนี้นมาก็มีความสุขความสบายพอแล้วมันไม่แน่นอนสิ่งของเหมือนนั้นเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมัน มันเป็นอย่างนั้นยังอาศัยในวัตถุนั้นั้นอย่างจริงจังไม่ได้บางทีลำเลื่อยเข่าของเงินทองมีความสุขความสบายข้าความร่ำรวยข้างจนเกิดมีคนมาปล้นมาขี่เอาสิ่งของมันหนีไปจิตใจกาเหนื่ยหงจิตใจก็ะเป็นทุกข์นี่คือวัตถุภายนอกทัตถุสิงทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้น มีคนแยง่งชีงเอาไปได้หรือเกิดภัยธรรมชาติน้าท่วมไฟไหมลมพัดไปหรือถูกโจรขโมอยอย่างชีงเอาไปแต่ความฝุกภายในคือจิตใจมีอัดมีทังไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีตจนหน้าไหนที่จะมาต้นที่เอาอัดเอาทังเอาความสุก ข, ของใจที่ผู้ประเพะื่ปฏิบัตินั้น หายไปได้น้ำก็เพื่อไม่ได้ไฟก็ไม่ในด้กผลจากอันตรายทุกอย่างนี่คือจิตฝึกฝนอบรมตนในอดในธรรมฉะนั้นเราทุกท่านจึงควรฝึกฝนเพืปฏิบัติตนของตนหาความฝึกภายในความฝึกของใจเมื่เรามีความฝึกภายในก็ได้ชื่อว่าเรามีบุญ คนที่มีบุญไปสถานที่ใดมีความสุขความสบายในจิตในใจในเรือร้องเงินไหวมีผู้คนต้อนรับตาใส่มีผู้คนยินดีเต็มใจอยากจะให้ดีให้อ้ายใส่อยากจะให้เป็นทรรคพวก่วนฝื้เพราะเป็นคนมีมีศีลมีธรรมมีบุญมีกุศล ใจเหวนเข้าก่อนยินดีเต็มใจเพราะหน้าตาของท่านยิ่งหย่างแจ่มใสดูคนไหนเต็มไทยหนีไปเขาก็คิดถึงเพราะความดีที่ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ท่านสอนไปอย่างพระพุทธเจ้าเขารื่นใสเขาศรัทธาเขายินดีไปเหวนเข้าก็เป็นสิริมงคุลในกาบได้ไดหวก็ปเป็นมุนเป็นเชื้อสม นี con, con m m ng, ch ่คือคนมีเงินเงินจึงจะหนักขี่ของพวกเราทุกคนควรสะสมอดรมขึ้นในจิตในใจสงศ์ในควรจะมองข้าว่าบงินกูสนนั้นไม่เห็นสงศ์อะไรให้นี่คือเราเในที่เจริญนะการอัดทมคําสอนของพระเจ้าเข้าใจว่าบงินกูสนช่วยอะไรไม่ได้คนเกิดมา นีบุีเกียรสนอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีใครเกิดมาหอบเข่าคเงินทองเสื้อผ้ามีแต่ปัญหาเอาใหม่เท่านั้นใครเกิดมาผมรู้กันไม่เห็นใครแด็กหางหอบผเข่าคลอยอะไรมามีความเข้าใจของคนทานเถั่อไปโดยมวยไข่ชิดที่นี่พี่เจนะยลวงธรรมนะที่พระพุทธเจ้าสอน ศาสนาพท่านสอนถึงเรื่องของกรรมคือการกระทําสิ่งของงินทองบ้านส่องเรียบสวนไรมาท่านในพื้นว่าเป็นของของคนทั่วไปในในือว่าเป็นของของใครเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็ใช้ไปหมดชีวิตเมื่อไรของเหล่านั้นก็ติดอยู่กับโลก หอบหิวหาบหาไปไหนได้คว น, นมาแต่ไหนแต่ไรทหารเขาเอาไปได้พวกเราที่เกิดมาสุดท้าตายแดนอย่างสวกเราสมัยนี้คนตายไปนับล้านเลยได้ที่เขาตายไปก่อนเขาเคยจับจองที่ดินที่ดอนเอาไว้เคยอยู่เคยอาศัยเขาถือว่าเป็นของเขาทั้งนั้นทหารเขาเอาไปได้เราไม่มีที่อยู่ที่อาศัย เกิดมาเราที่พักที่อาศัยแม้แผ่นดินที่จะอยู่คนไม่มีเพราะสถานที่ต่างๆเป็นของเขาทั้งนั้นไม่ใช่คนไม่เคยเกิดเคยตายแต่อันเนื่องความหลงยมเหลงความใจว่าเกิดชาติเดียวตายไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรสร้างมันความคิดของคนทานชอบเป็นอย่างนั้นไม่คิดคำนึงคำนึงจะใส่กุณมีความดีเอาไว้ เพื่อจะได้เป็นผลเป็นกำไรในชีวิตต่อไปเกิดมาต่อทำมาหาจินไปตามเรื่องเหมือ น, นกันกับสัตว์ไม่เคยต่อคิปฏิบัติทานเป็นอย่างไรไม่เคยคํานึางคำนวณฮะชีวิตเป็นอย่างไรไม่เคยรักษาภาวนาเป็นอย่างไรไม่เคยบําเพ็ญ น, นี่คนทานเป็นอย่างนั้นเพราะเขาสายตาสั้นไม่ได้มอง มีเหตุผล อ, อะไรทำคําสอนของพุทธเจ้าว่าคนเกิดมาจากกรรมคือการจัดทําของตนงในใจเกิดขึ้นจากอํานาจของความอยากถ่ายเดียวอยากอะไรก็ไปเกิดได้ตามความสะดวกสบายหากเป็นอย่างนังน้นคนเกิดมาทุกท่านไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายชาติไหนภาษาไหนมันเป็เหมือนกันหมด เพราะจิตใจของมนุษย์ทั่วไปไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ความยากความลำบากอดจนรูปร่างกลางตัวก็ชอบทุกคนในความสวยงามเ ข, ข้าความเงินทองก็ชอบอยากจะล่ำลวยเดียวกันทางนั้นแต่เหตุใดคนทั่วไปจึงไม่เหมือนกันถึงเกิดมา ไม่มีอะไรมีแต่หนังห่งกระดูกมาเสื้อผ้าไม่มีกวดตามแต่อำนาจบาดนาะบุญกรรมี่เขาทำเอาไว้เป็นของของตนไม่ได้มีคนอื่นหาให้คนเกิดมาในบาดธนาตาบอดหูหนวกลรือเอาไว้เยะวะแข่งข้าต่างๆไม่ดีไม่มงามแต่เกิดมาแล้วมีเป็นคนแบบนะั้น ทางทางจิตเขาไม่ต้องการปรารถนาเกิเห็นไดยายเล่าเขจึงเป็นแบบนั้นก็เพราะกรรมของเขาดิดามานดาที่ให้กําหนดกับเขาตหนือนกันมีปรารถนาลูกเต่าเลี้ยงล้างที่เป so kh <c ười> ็นคนขี่ใบบ่าเจ้าจิตผิดมนุษย์อวัยวะต่างๆไม่สมประกอบสติปัญญาทีิชาความรู้ไม่มีหงูเขาเต่าตุ้มเขาไม่ปรารถนาทางนั้น เราัยหน่มองไครปรารถนาใอยาแจงในหนุห่มคองตัวดีวิเศษแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะผลของกรรมที่สัตว์หนังนั้นเคยประพฤติปฏิบัติมาผิดแปลกแตกต่างกันฉะนั้นคนเราจึงเกิดมาเพราะกรรมถึงในหอบหิวหาบหามเข่าของมาแต่เพื่อว่าเขามีกรรมดีก็ได้ไปเกิดในสถานที่ดีหรือกเกิดในสถานที่ชั่วบางการบางเบลล่าแต่เขาเติบโตมาก็มี สติปัญญามีความขาดความเพียรพยายามทํามาหากินขะดวกสบายมีเงินมีทองมีเสามีขวาหมากไม้ไก่กองแต่บางคนก็อดจนเดือดร้อนถึงไปเกิดในสถานที่ดีพ่อแม่มีสมบัติแต่พอหมดบุญพ่อแม่ไปเข้าของเงินทองที่พ่อแม่หาเอาไว้เป็นมรดกปกทุน ก่็ย่อยยับดับสูญไปนี่คือบุญกรรมของเขาไม่ให้สติไม่มีปัญญาไม่มีการักษาสมบัติเข้าของกว่าไม่ได้เพราะกรรมของเขามันชั่วมันเสียคือคนไม่มีบุญบุญสุขสนฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องสุขสน์เรื่องคุณงามความดีจึงเป็นหน้าขี่ของเราที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่จะพิจิจารณาสะสมเอาไว้ใ่อย่างนั้น ก็ไม่สมหวังให้ตายไปไม่อยากไปในที่ชั่วที่เสียมันก็ไปได้เพราะอำนาจผลกรรมผักดันไปเหมือกนกันกับคนชั่วทั่วไปในโลกที่เรามองมเห็นๆกันคนชั่วนั้นเขาห้ามอย่าไปรักของเขาอย่าไปข่าวไปขโมยเขาอย่าไปส่วนไปจี่เขาเดี๋ยวเขาจับได้จะไปติดคุกติดตารางนะฉันไม่กลัวคุกตรางเขาอยู่นะ ไม่เห็นเขาตายกันอยู่นั้นก็ชินข่าวหลี้ยวไม่กลัวมีแต่ทุกข์ยากลำบากอย่างไรฉันไม่เชื่อถึงเขาจะไม่เชื่อก็าตามมีคนอื่นห้ามาฟังแต่เขาทาไปในกรรมชั่ว อ, อยู่เรื่อยๆผลที่สุดเจ้าหน้าที่จับได้บางทีเขฆ่าตายบนป่าบนถนนบนทางตรงนี้เพราะความไม่ดีกรรมชั่วของเขา ทำตัวของเขาเหมือนใคนอื่นทําให้กรรมชั่อที่ก็ก่สร้างเอาไว้ให้ผลแก่เขาบางทีก็จับคุ้งคุ้งตัวไปจิตคุกจิตตาบ้านของเขาครองที่เคยใช้เคยอาศัยไม่ได้พักผาดีดามนดาด้วยยากนิดที่เคยพูดคุยเล่นเินต่างๆไม่ได้มีเวลาที่จะมาพูดคุยกัน ลำบากอยากเยนอย่างไวในทุกในตารางคนที่เคยเข้าเขาเล่อก็วหนาขยดสยองหน้าตัวเพราะไม่มีอิสระจะไปมาที่ไหนไปไ่ไ ด, ด้ถา้าถูกคุมให้อนุญาตให้จะกินอะไรตามความชอบใจก็ไม่ได้จนเล่นจงนอนแบบสวกสมายก็ไม่ไ ด, ด้เพราะกรรมชั่วที่เขาทานั่นแหละ ให้เขาได้รับทุกทรมานอย่างนั้นมีชาติของมนุษย์เราก็เหมือนกันถึงเราในศาถนาอยากจะทุกยากลำบากอดจนเป็นคนขี่โรคใครใครเจ็บต่างๆแต่ถือว่ากรรมชั่วที่เราสะสมอบลมมาแต่ชาติก่อ น, อนมันมีมาแล้วจำเป็นจะต้องรับชชยผมกรรมอันนั้นถึงไม่ศาถนาก็ถึงไปให้ใครในได้ เพราตัวสร้างมาอย่างไรจะต้องรับผลกรรมไปอย่างนั้นเช่นคนตาบอดมาแต่กําเนิดมันคงยาที่ไหนจะรักษาให้มันหายได้คนขาด้วนแขนด้วนมาเป็นเหนกันฉะนั้นเรื่อ ง, เ, องเหล่า น, นี้จะต้องได้รับผลกรรมเฉพาะตัวคนอื่นจะแย่งชิงเอาไปไหนได้กรรมชั่วที่ตัวสร้างเอาไว้ตัวต้องได้รับ ผลกรรมอันนั้นตลอดไปจนผลกรรมอันนั้นหมดสิ้นเมืออ่อไรถึงควรจะหายแต่จะหายในชาติปปจุบันนี้หายไม่ได้สำหรับกรรมชั่วที่ส้งางออกมาแต่ชาิก่อนมาให้ผลเช่นเป็นต้ น, น, นว่าแข้งขาอวัยวะด้ ว, วนหรือตาบอดจะต้องจนหมดชีวิตในชีวิตของมอนุษย์ สะสมคุณงานความดีเอาไว้แก้ไขผลกรรมเก่าที่เราเคยทํามาเชิญพิษเชิญภัยเชิญกรรมส่วนนี้เราทํำไม่ดีถึงกว่าจะรับเคราะกรรมอย่างนี้อย่างนั้นเราไปจักในจิตในใจแล้วกรรมชั่อถ่วไปเราไม่ทำสร้างกรรมดีใส่ตัวของตัวเอาไว้เมื่อเราตายไปกรรมดีก็จะส่งผลให้ นี่คือผลกมไรของกรรมดีจะได้ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นนษที่ดีไม่อย่างนั้นกรรมดีที่มน้าก่อสามา้าที่จะได้ได้เกิดเป็นเถิดพบุตรเทพดติดาเป็นอินเป็นชมต่อไปหรือคนที่ไม่อยากเลี้ยง่ายตายเกิดอีกเดือนนาการตายการเกิดประพตปฏิบัติอาจทำภายใน จนสำลากใจของนตนพ้นจากกิเลสคนนั้นกว็วิเศษไรเสดในก่อพวกกอชาติอีกต่อไปมีความสุ่นิืนรันดอนถังจิงว่านัชชิสันติพลังสุ่ขังสุ่อื่นยิ่งกว่าความส ง, งบไ ม, ม่มีคือส ง, งบในการเกิดการตายการเรียน็่ายในวัฏจัสงสารส ง, งบจากกิเลสตัณหามานาัชชิติสงสบจิตใจของตนให้สะอาด บริสุทิ์เราทราบได้จากตัวของตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาตัดสินบอกปากท่านบริสุทธิ์เรานะท่านบริสุทธิ์เรนะไม่ต้องไปหาความยืนยันจากคนอื่นเพราะการประปฏิบัติทําเป็นปัจจิตตังคือรู้เฉพาะตัวเราบริสุทธิ์เราก็ทราบว่าเราบริสุทธ์เราติดข้องอยู่ตรงไหนเราก็ทราบไม่มีอะไรติดบางอาัมพา จิตใจที่มีกิเลสเราก็ฆ่าจิตใจที่กิเลสเบาบางไปแล้วก็ฆ่าผีการปรงประพฤติปฏิบัติอัดทำทางสาส น, น <c oughs> ท่านสอนอย่างนั้นเรามีโอกาสหน้าที่ไหนว่าภิกษุสา ม, มาเณรอุบาสกอุบาสบาิกาเทราวา่าตเมื่อเราอยากจะเยี่ยนบ่ายตายตเกิดประพฤติปฏิบัติยังไม่ถึงถที่สุพิมุติพานเมื่อไรก็จงพากันตั้งใจ สะสมคุานความดีเอาไว้ทานที่เราบริจากไปเมื่อเราเกิดชาติใหม่เราก็จะได้รับผลเหมือนกันกับบุคคลบ่านพืชเอาไว้ในท่องไร่ท่องนาพืชผลของเขานั้นจะพิ่อดออกผลให้ไม่มีใครที่จะมาแย่งีิงเอาไปเขามีสิทธิเสรีที่จะใช้สมบัติของเขา เขาปลูกข้าวเขาก็จะได้ข้าวเขาปลูกถั่วปลูกงานเขาก็จะได้ถั่วได้งานเป็นส่วนตอบแทนมีการกระทาบุญกุศลทานบารมีพระพุทธเจ้าก็ยกเอาไว้ว่าเป็นทางยินทางกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลพระพุทธเจ้าเคยสะสมอบรมมาความยินทางนี้เป็นเสน่ ในปัจจุบันทันตาคนที่ยอมเสียาสาระเ่ือเผื่อแพรให้คนนั้นคนนี้ยอมไม่เคยมีใครมีเวรไปสถานที่ใดเขารักให้อเอ็นดูเขายินดีเคยไปทาดีกับเขาเมื่อเราไปหาเขาเขาก็ทาดีต่อยืนกู๋โนยังเห็นผฉปัจจุบันทันตาบาปอกูสโนก็เหมือนกัน ถ้าใครคิดพิจารณาตามธรรมะของพ ร, ระพุทธเจ้าโยกความปีนใจโดยความเป็นธรรมไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยในโลกอันนี้ทำดียังมีผลดีตอบแทนทำชั่วยังมีผลชั่วตอบแทนในปัจจุบันทันตาเราด่าเขาตีเขาเขาก็ดา่าเราตอบตีเราตอบเราไหวเขาเขาก็ไหวเราตอบ เราทำดีต่อเขาเขาก็ทำดีต่อเราพอที่จะสรางได้ของความดีความชั่วไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่ได้ผลอะไรมันเห็นผลปัจจุบันทัานตาถ่านทำความดีท่านจึงให้ทำทางการบริจาคนี่เป็นหลอเกิดของยมของกุษณอันหนึ่งท่านเรียกว่าทานะไมคือบนสำเร็จ ได้จากการบริจาคทางเมื่อเราทําบุญสุนทานลงไปโดยความเชื่อความเลื่อมใสความยินดีเต็มใจในการให้ของเราเรามีจิตเอิ้อเอื้อมเ่อมใสวันลึกลึกขึ้นเมื่อไรเราก็ดีใจเพิดเพลินในการจัดทําขั้นต้นว่าอันนั้นเราเคยได้เสียสละให้ทานแก่คนนั้นคนนี้ หรือวัดนั้นวัดนี้จิตใจยินดียิ่งแย่งแจมใสเหมือ น, น, น, น, นกับไฟหไหม้หรือขโมยเอาไปขโมยเขาขโมยของของเราไปไปคิดเมื่อะไรจิตใจ ห, ใจหใจงุแห้งจิตใจโกรธจิตใจเข้าหมองแต่การให้ทานใม่นอย่างนั้นเราได้ให้ทานไปหรือความ เต็ใจของเราคิดขึ้นอะไรใจของเรายิึงหยั่งผ่องใสไม่มีอะไรเป็นถโทษเป็นทุกข์เหผลที่เราคลอยได้ปัจจุบันทันตาคือความอิ่มใจของเราความยินใจของเราความสบายใจของเร า, าเราหนีมีอํานาจวาสนาะมีบุญมีเกุมเกิดมากว่าเด็กเรืเอเพื่อแกรคนนั้นคนนี้ได้ทํามุ่งสืบทานอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตของเราไม่เป็นโมฆะ เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสารประโยชน์เมื่อเรามีท า, ทางการกุบสนเคยบริจาคอยู่ในจิตในใจเราตายไปพบหน้าชาติหน้าเราก็จะมีบุญกุบสนเก่าก่อน